RMT Talk สวัสดีค่ะพุณังคาต้อนรับเข้าสู่ช่วงนี้นะคะ RMUTT ค่ะวันนี้ดิฉันอาทิตยาปกรทานางังรับหน้าที่ดําเนินรายการซึ่งประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะคือเรื่องราวของภาพรวมกองทุนกยศและเรื่องราวของการระงับหนี้สําหรับลูกหนี้ผู้พิการค่ะซึ่งในวันนี้นะคะดิฉันได้รับเกียรติจากคุณปรีชาบูชางกูลรองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณปรีชาค่ะสวัสดีครับครับ คุณปีชาคะปัจจุบันนี้ภาพรวมของกองทุนกยศเป็นอย่างไรบ้างคะคือท่าในแง่ภาพรวมผมวจะขอยากพูดถึงตัวเอเรื่องของผู้กู้เงินที่กู้แล้วก็นี่ที่ค้างอ น, นะครับค่ะคือท่านเราดูนะวันนี้นะครับของกองทุนนะครับมีทั้งกยศกรอเนี่ยเรารวมทั้งสิ้นเนี่ยอห้าล้านสามแสนลายด้วยห้าล้านสามแสนลายนะคะนะครัมล้วคิดเป็นเงินที่เราปล่อยกู้เพื่อการศึกษาแล้วเนี่ยประมาณห้าแสนห้าหมื่ล้านบาทนะครับค่ะนะฮะ แล้วคือถ้าบอกเรื่องของหนี้เนี่ยณวันนี้เนี่ยในแง่ของตัวการกู้เงนินนะครับเราให้กู้เนี่ยระหว่างศึกษาถึงแม้จะสําเร็จการศึกษาแล้วไปสองปีเนี่ยในช่วงนี้ก็คือเรียกว่าช่วงปลอดหนี้ยังไม่ต้องมีการชําระหนี้เนี่ยอันนี้อยู่ประมาณล้านกว่าลายนะครับหนึ่งล้านกว่าลายแล้วก็เผู้ ก, กู้ที่ชําระหนี้เสร็จทีนแล้วเนี่ยประมาณเจ็ดแสนลายโดยประมาณนะครับค่ะแล้วก็อยู่ระหว่างการชำระหนี้เนี่ยประมาณสามล้านสี่แสนลายนะครับ เพราะนั้นเนี่ยไอ้สามานถึงแสนลายเนี่ยที่อยู่รองชาําระนี่เนี่ยประเภทที่ค้างชําระอยู่เนี่ยก็ประมาณสองล้านลายนะครับค่ะิดเป็นเงินต้นที่ค้างชําระเนี่ยก็ประมาณ 60, หกหมื่นกว่าล้านบานทค้างชําระนี่ประมาณสองล้านลายครับสองล้านรายนะคะมีการดําเนินการเรียกเก็บเงินลูกหนี้ผ่านในจ้างตอนนี้มีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะที่มีออกมาล่าสุดว่าอาจจะมีเรื่องของการไปเก็บในเงินเดือนหรือเปล่านะคะที่จะเตรียมหักตรงนี้ค่ะออกปัจจุนนี้ก็เจอคืออย่างนี้ครับว่า คือใ น, ในแง่ตอนนี้กองทุนเนี่ยก็มีตัวพรบฉบับใหม่นะครับเ<ฆ>ขาเรียกพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการสถาปสอ2560นะครับในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเจตนลมที่เขาออกเนี่ยอันนี้เขาคือเพื่อแก้ไขปัญหากับปัญหาของกุลของกองทุนเดิมปัญหาที่หนึ่งก็คือในเรื่องของเดิมที่บอกว่าข้อมูลตัวบุคคลเช่นที่อยู่ที่ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของผู้กู้นะครับค<ฆ>่ะในน้ น, นเดิมเนี่ยตามกฎหมายเดิมเนี่ยกฎหมายพรบรปี41เดิมเนี่ย ในกฎหมายไม่ไให้อำนาจของกองทุนเจะไปขอข้อมูลจากหน่วย ง, งานต่างๆได้ค่ะแต่สําหรับกฎหมายปี60ที่ออกใหม่เนี่ยครับอันนี้ก็ให้อํานาจที่จะให้กงทุนใหม่เนี่ยมีอานาจไปขอข้อมูลบคนนุคคลอย่างที่ว่าได้เช่นที่อยู่ที่ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ต่างๆนะครับอันนั้นก็คือเพื่อเพื่อการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะให้เข้าถึงถึงลูกหนี้ได้โดยตรงจริงๆเนี่ยนะครั บ, น, รบนั่นคือส่วนที่หนึ่ง ส่วนที่สของกฎหมายตัวนี้เจริญก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการรับชำระหนี้หน้าที่ให้องค์กรในจ้างต่างๆไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนเนี่ยตรงนั้นเนี่ยทําหน้าที่ที่จะหักเงินเดือนของพนักงานลูกจ้างซึ่งเป็นผู้กู้กองทุนเนี่ยนะครับนําส่งชาําระหนี้กองทุนโดยผ่านกรมสมัพากรนะครับนั่นคือหลักการของกฎหมายนะครับค<ฆ>่ะส่วนในแง่ของโปรเซสหรือความเป็นไปที่จะต้องดําเนินการให้ให้ใหใหสำเร็จตรงนั้นเนี่ยคือเนื่องจากว่าในวันนี้เนี่ยเรายัางไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะเข้าถึงตัว ว่าในกอในขอที VIP, ่เป uh. ็นกู้ก um, ู uh. by, so, ้เราเนี่ยท well yes. uh ํำงานองค์กรจะจ้างไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากําลังประสานงานหน่วยงานต่างๆเพื่อขอข้อมูลเหล่านั้นอยู่นะครับเพราะว่าเราเรามีหน้าตามกฎหมายอีกขอนะครับเพียงแต่ว่าใ้การขอข้อมูลเนี่ยต้องรอกฎกระทรวงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในกฎหมายเองเขาบอกว่าการจะไปขอข้อมูลส่วบุคคลเนี่ยต้องปล่อออกเป็นกฎกระทรวงนะครับกฎกระทรวงตอนนี้อยู่บาขั้นตอนนะครับที่กำลังจะออกมานะครับซึ่งโอเคนะครับณวันนี้เรมเนี่ยเราเตรียมความพร้อมอย่างไรอันนี้เราก็ต้องพยายามประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วเราจะเดินยัางไงาต่อไปทําความเข้าใจแล้วก็ต้องทำข้อคัดใจองค์กรในจ้างด้วยนะครับเราต้องวางเนี่ยไปบัตดต่างๆออกกฎระเบียบต่างๆเพื่อรองรับในเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะ น, นั้นเนี่ยระยะหนึ่งนะครับและระยะตอนเนี้ก็คืออยู่ระหว่างช่วงเตรียมการอย่างที่ว่าผมคาดว่าประมาณสักปลายปีหรือต้นปีกฎกระทรวงออกเนี่ยมันก็จะได้ดําเนินการตามสเต็ปต่อไปในเรื่องเหล่านี้นะครับ ค่ะถ้าอย่างนัน้นแล้วแสดงว่าในเรื่องของการที่เราจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้โดยผ่านนายจ้างได้เนี่ยจะต้องได้รับความยิยนยอมได้ไหมคะคุณปรีชาคือในเรื่องความยินยอมนะครับคือจริงๆโอเคผมผมนิดหนึงในเรื่องของกองในองค์กรนายจ้างนะครับเขาจะมีหน้าที่หักเดือนเดือนต่อเมื่อกองทุนแจ้งให้ทราบนั่นก็คือหลักการของกฎหมายนะครับค่ะส่วนในเรื่องของการยินยอมนะครับในเรื่องการยินยอมเนื่องจากว่เรามีผู้กู้รายเก่าอยู่มาก แลกฎหมายตัวนี้เป็นกฎหมายฉบับใหม่พิ่งใช้บังคับที่6กรกฎาคมปี60เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยสาหรับผู้ ก, กู้ยืมรายเก่านะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ5ล้านกว่ารายอย่างเี่นโรงเรียนต้นนะครับจะทําอย่างไรจริงๆเจตนาโดยกฎหมายฉบับนี้นะครับเขาออกมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักการก็คือว่าการที่เราจะแจ้งองค์กรในแจ้าหาเงินเดือนเนี่ยไม่จําเป็นต้อง ให้ผู้กู้ยินยอมต่อกองทุนนะครับที่เป็นยินยอมให้หักเงินเดือนนะครับเป็นการขอความร่วมมือกับนายจ้างโดยตรงใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับสมมติว่านะคะมีการออกมาฟีดแบ็ออกมาบอกว่าอถ้าเกิดว่าไม่ยินยอมให้หักเงินล่ะไม่ได้ไม่อยากให้หักเงินจากผ่านนายจ้างกยศจะมีการดําเนินการยังไงคะตรงนี้โอเคตรงนั้นก็คือถึงจุดนะ้นเวลานั้นเนี่ยผมว่าก็คือต้องมานั่งพูดคุย น, นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า ในแง่ทำผู้กู้เองเขามองในมองจุดหนึ่งว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าในแง่กองทุนเองนะครับผมรว่าเจตนรามองกฎหมายตัวนี้เนี่ยของเพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่นะครับอันที่สองจริงๆแล้วถ้าดูเงื่อนไขต่างๆในสัญญาผูู้้ต่างๆนะครับคู้กู้เองเนี่ยเขาจะต้องลงร่วมงานในเชิงที่บอกว่าถ้ากองทุนออกกฎระเบียบอะไรต่างๆที่มีอยู่ในวันนี้หรือเอาในโคตเนี่ยเขาต้องยอมรับในเรื่องของนั้นนะครับคือในสัญญาที่ได้เซ็นรับไปตอนนั้นเรับไปแล้วก็ในกฎหมายของปีศูนย์เองก็กําหนดไว้ให้เป็น อำนาจของกองทุนเองนะครับที่กําหนดหลักเกณ่อเหล่านั้นนะครับนะคะตรงนี้เองมูฟังที่ฟังอยู่นะคะหละท่านต้องเชื่อ ว, ว่าน่าจะเป็นลูกหนี้ของกยศด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเตรียมตัวในเรื่องของการอ่ะรอฟังค่าวแหละนะคะซึ่งคุณปิชาเองบอกว่าอาจจะเริ่มในช่วงปลายปีนี้หรือว่าต้นปีใช่ไหมคะที่คาดว่าเอออาจจะมีการหากักโดยผ่านนายจ้างนะคะคือจะหักผมคิดว่าประมาณต้นปีนะครับน่าจะเป็นต้ น, ตนปีหน้า ค, ค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะในส่วนหนึ่งนะคะที่เห็นว่ามีเรื่องของการระงับหนี้ผู้กู้พิการตรงนี้ค่ะคุณปีชาคะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะสาหรับผู้กู้พิการล่าสุดที่กสทมีการระงับหนี้อะค่ะคือในเรื่องพิการนะครับจริงๆในกองทุนเองตั้งแต่กองทุนปีทีหนึ่งเองนะครับเขาก็มีหลักเกณฑ์อยู่แล้วนะครับว่าเผู้กู้ยืนที่พิการหรือทุพพลภาพนะครับจนไม่สามารถประกอบการงานได้เนี่ยเกณฑ์ขึ้นมาว่าถ้าเข้าเกณฑ์เหล่านี้นะครับ เราก็จะร ะ, ะงับ ก, การเรียกชำระหนี้ไปะนะครับซึ่งถ้าดูจํานวนจํานวนผู้กู้ยืมพิการหรือเท่าภาพที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปีศกที่เราประมวลได้เนี่ยถึงปีหกศูนะครับมีอยู่จํานวน2องพารยายเนี่ยคือเข้าเกณฑ์หลักเกณฑ์ที่ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเราก็จะระงับ ก, การเรียกชำระหนี้กับกับผู้กู้เหล่านั้นนะครับค่ะ 2, องพัราย ถูกไหมคะคตอนนี้แล้วเรารมีการแยกหลักเกณ์ยังไงบ้างคะคือผู้กู้ที่เรามีการระงับนี่คือตอนที่ทําสัญญากู้นี่คือปกติแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือว่ายังไงคะคุณปีชาอเอาเลครับคือขนาะที่เขากู้เนี่ยก็ก็คงไม่ได้ไดพิการหรือทุพภาพถูกไหมครับเพราะรว่าเขาสามารถที่จะดําเนิอนอะไรของเขาได้ค่ะแต่ว่าในแง่เกณฑ์ของเรานะครับบอกว่าอันเนี้ยถ้าเกิดว่าขณะที่หลังจากการกู้แล้วเขาถึงเวลาชําระนี้เนี่ยเขาเกิด ที่การหรือทุพพภาพตามหลักเกณฑ์นะครับเช่นมองไม่เห็นหรือไม่ได้ยินหรือการเคลื่อนไหวทางร่างกายไม่สะดวกหรืออะไรอย่างนี้นะครับค่ะนะฮะไอ้เรื่องเหบ่านี้ยคือถ้าเข้าเกณฑ์อย่างเนี้ยเราก็จะระงับการเรียกเก็บหนี้เขานะครับอืมก็คือเหมือนกับว่าเป็นการยกหนี้ไปเลยหรือเปล่าคะคือยกหนี้ไม่ไม่ใช่ครับคือนี่ไม่ได้ระงับแต่ระงับการเรียกชำระหนี้เหมือนกับ ระงับการเรียกชำระนี่ชั่วคราวคล้ายๆอย่างนั้นครับชั่วคราวนะคะเป็นการชั่วคราวเท่านั้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผู้พิการผู้นี้ยบางครั้งอาจจะกลับมาไม่ได้เป็นผู้พิการอืมก็คื อ, อยังไม่แน่นอนในตรงนี้ว่าจะเป็นอูพิการตลอดชีวิตหรือไม่นะคะใช่ครับใช่ครับแต่ก็เป็นเพียงลักษณะของการระ ง, งับในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นใช่ครับใช่ครับค่ะก็หลาย <จน S 1> ท่านค่ะ จนกว่าความพิการจะหายไปอะครับความหมายเงี้มก็เหมือนเป็นช่วงเวลาในการพักอ่าเตรียมตัวหรือว่าพักร่างกายรกาัวอะไรอย่างนี้นะครับค่ะเหมือนการผ่อนคลา <บน S 1> ใช่ไหมคุณพิชาฝก็มีนะครับถ้าวอลมันก็คือระงับมันก็ระงับยาวในความหมายเงี้ยนะครับอืมก็จะต้องมีการติดตามในเรื่องของสุขภาพของผู้กู้ด้วยว่าเป็นอย่างไรใช่ไหมคะครับจั บ, จบค่ะ ท้ายนี้ดีกว่าค่ะคุณปรีชาค้าอยากจะสอบถามให้ปรีชาชัดชวนผู้ฟังหลายท่านที่ฟังอยู่เชื่อล่ะค่ะว่าน่าจะมีที่เป็นลูกหนี้ของกอยศด้วยนะคะมีอะไรที่อยากจะฝากถึงในเรื่องของการชรําระหนี้ของกอยศไหมคะณปัจจุบันนี้ค่ะครับ อ, อในเรื่องของชําระหนี้นะครับผมจะรบกวนเห็นแจ้งถามผู้กู้นะครับน้องๆเนี่ยค่ะือต้องต้องต้องต้องตระหนักให้รู้นะครับว่าเงินที่เราใช้ไปเนี่ยก็ถือเหมือนกับรัฐเนี่ยให้โอกาส ค่ะพัฒนาตัวเราเองนะครับเมื่อเมื่อเราได้รับการพัฒนาได้โอกาสอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเรามีไรายได้ก็ควรต้องชำระหนี้คืนนะครับเพื่ออะไรเพื่อว่าหนึ่งในแง่ของทุนเองเนี่ยจะได้เอาเงินมาหมุนเวียนไม่ต้องใช้เงินก็ประมาณแผ่นดินที่เป็นเงินภาษีของประชาชนทุกคนนะครับนะครับประหยัดในตรงนั้นแล้วเอาตรงเนี้ยมาได้ให้กับให้ให้ให้กู้ยืมกับรุ่นน้องๆต่อไปก็คือสร้างโอกาสให้คนอื่นนะครับค่ะ อันที่สองนะครับในการชราระหนี้เนี่ยณวันนี้โอเคบุคคลที่เป็นอยู่ในสังกัดองค์กรนายจ้างไม่ว่าภาคราษฎรเ อ, เอกชนนะครับตรงนั้นเนี่ยผมว่าเขาต้องเตรียมตัวในเรื่องเหล่านี้เหมือนกันนะครับว่าจะต้องมีการให้มีการหักเป็นเดือนนะครับในเรื่องเหล่านี้หรือสองแม้เขาไม่อยู่ในรักษาองค์กรนายจ้างที่เป็นจ้างรายงานเนี่ยตรงนั้นเองเขาเองเนี่ยผมว่าก็ควรจะหนักและรับผิดชอบในหน้าที่ที่ต้องชาําระหนี้คือเนีนะครับค่ะ จริงๆผม ม, มองคนเป็นสองภาพนะครับภาพที่ห่งเนี่ยผู้กู้ที่ดีเนี่ยเขาเข้ า, ขาระดีอันนี้ต้องขอบคุณเขาจริงๆนะครับส่วนผู้กู้ที่ที่ไม่ชําระนี่วันน่ะจะแบ่งเป็นสองลักษณะนะครับหนึ่งเจตนาไม่ชําระนะะค่ะเจตนาไม่ชําระหรือสองไม่มีเสียรภาพชําระอืกรณีไม่มีเสถียภาพชําระเนี่ยเราก็มีเกณฑ์ผ่อนผันนะครับอันนั้นผมว่าเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะนะครับก็อย่าหนีเลยแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าไม่พร้อมจริงก็อยากจะให้เข้ามาพูดคุยแล้วก็ขอผ่อนผันเอา เพราะว่ามมีเกณฑ์ผลผลิตให้อยู่แล้วจริงๆไปติดต่อธนาคารกรุงไทยหรือไทยร้านสลามซึ่งเป็นเป็นตัวแทนเราก็ได้ครับในเรื่องเหล่านี้คือก็มีหลักเกณฑ์ให้อยู่แล้วในเรื่องเหล่านี้นะครับนะแล้วก็ล่าสุดเองต้องบอกว่ากสศก็จะเริ่มมีช่องทางในการติดตามตัวผู้กู้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเอ๊ะไม่ต้องชําระนี่ก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้เนี่ยต้องคิดแล้วต้องคิดสมัยเราจะเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นเนี่ยครับในเรื่องนั้น ใช่ค่ะอาล่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณปรีชาบูชางกูลนะคะรองผู้จัดจา ก, การกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศออค่ะขอบคุณมากนะครัคปรีชาคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันนะคะครับดีดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ คุณผูฟังคะเรื่องราวของกอยศนั้นนะคะยังคงมีการดําเนินต่อเพราะว่ตอนนี้เองเนี่ยก็กําลังอยู่ในเรื่องของการร่างกฎหมายนะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่คุณปรีชาได้พูดถึงก็คือถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกหนี้กอยศตอนนี้ น, นะคะอยากจะบอกว่าถ้ามีปัญหาในเรื่องของการชรําระหนี้ขอให้คุณเดินเข้าไปปรึกษาได้เลยนะคะส่วนในตอนนี้ค่ะรายการ i อ t อ็มทอหมดเวลาลงแล้วไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันต่อจากรายการราชมงคลกันค่ะ